ประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตฉบับสมบูรณ์ภาคประวัติหลักตอนที่หร่วมจัดทรรมโดยครอบครัวอาิสกุลครอบครัวทองไพโรดครอบครัวเงินแสนพาณิชครอบครัวอินทมลมุทิตาจินากรพุทธศักราชสองพัถึง2472ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ การอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นผู้เขียนมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือวันและคืนนี้ช่างหมดไปเร็วเหลือเกินระยะเวลาที่ผ่านไปสองปีตั้ง730วันดูเหมือนว่าวันสองวันเท่านั้นนี่เป็นเพราะอะไรเป็นการตั้งคำถามขึ้นในตัวเองก็ได้ความว่าทุกๆเวลานั้นได้ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ทุกกระเบียดนิ้วโดยเฉพาะเมื่อผู้เขียนต้องการทราบอะไรต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติทางจิตท่านจะแก้ไขให้อย่างจะแจ้งทุกอย่างทุกครั้งไปจนเป็นที่พอใจผู้เขียนมีความสนใจอย่างมากที่ท่านได้ไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ถึงสิองปีเป็นเหตุอันใดท่านจึงใช้เวลาอยู่ที่เชียงใหม่นานมากผู้เขียนจึงหาโอกาสถามถึงเหตุต่างๆแม้แต่ผู้เขียนไม่ได้ถามท่านก็ได้เล่าเรื่องต่างๆระหว่างอยู่ที่เชียงใหม่ให้ฟังเสมอ นับว่าเป็นความรู้ที่ได้รับหลายประการท่านได้พูดถึงสถานที่บุคคลตลอดถึงอากาศต่างๆก็นับว่าน่าศึกษาอยู่มากทีเดียวผู้เขียนจึงจะได้นำมาเล่าต่อเพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจในเรื่องของพระอาจารย์มั่นจะทราบความเป็นอยู่ที่น่าศึกษาอย่างยิ่งของท่านที่เชียงใหม่แต่การเล่านี้ก็จะไม่ใคร่ติดต่อกันนักเพราะท่านเองก็ไม่พูดติดต่อกัน เพียงแต่ท่านเห็นว่าผู้เขียนสนใจการอยู่เชียงใหม่ของท่านท่านก็เล่าให้ฟังเป็นตอนๆเป็นครั้งเล็กๆเกน้ยๆเพื่อความละเอียดและแน่นอนผู้เขียนก็อาศัยถามพระเทระบางท่านที่ท่านได้อยู่ใกล้ชิดที่เชียงใหม่ความจริงประวัติทุกตอนของพระอาจารย์มั่นนั้นน่าศึกษาทุกๆตอนแต่ต้องพิจารณาหาความจริงและฟังในอุบายต่างๆ เพราะว่าพระอาจารย์มั่นท่านพูดอะไรออกมาก็มักจะแทกคำเตือนใจแก่พระภิกษุสามเณรแทบทุกครั้งท่านเล่าต่อไปว่าพุทธศักราช2471ท่านจำพรรษาที่วัดสะปทุมครั้งนั้นท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณุปมาจาริริจันโทจั น, จนเจ้าอาวาสวัดบ ร, รมนิวาสได้ไปจัดการดำเนินงานปรับปรุงวัดเจดีหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดธรรมยุทธ์วัดแรกเมื่อการปรับปรุงเข้ารูปเป็นที่มั่นคงพอสมควรแล้วท่านได้พยายามที่จะหาพระเทระผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางปริยัตและปฏิบัติให้มาเป็นสมภารทั้งนี้ตามความประสงค์ต้องการที่จะวางรากฐานคณะธรรมยุทธ์ขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เพราะพระทางภาคนี้ก่อนนั้นการฉันอาหารในเวลาวิการเขาไม่ถือว่าเป็นการผิดวินยัย รู้สึกว่าวินัยจรละรวมมากในแถบนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะให้พระเทระผู้มั่นคงรอบครอบน่านับถือมาอยู่เพื่อให้เป็นประโยชน์จริงๆท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์จึงปรารบว่าควรจะให้เป็นท่านมั่นเพราะเป็นผู้เจริญทางการปฏิบัติกรรมฐานเมื่อออกพรรษาปีพุทธศักราช2471 ลุมาปีพุทธศกรา 2,472 จึงได้นิมนต์เราในที่นี้หมายถึงพระอาจารย์มั่นภูริทัตะเทระจึงได้นิมนต์เราไปให้ไปที่วัดบ ร, รมีว่าด์ซึ่งขณะนั้นเราก็พักอยู่ที่วัดสัปปทุมกับท่านเจ้าคุณปัญญาพิสารเทระหนูเมื่อเราเข้าไปพบท่านเจ้าคุณก็บอกว่าให้เธอไปอยู่ที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสเป็นพระครูฐานาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชัชรยาณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่พระครูธรรมทรและตั้งเป็นพระอุปชาพร้อมหมดทุกอย่างพระอาจารย์มั่นทนเล่า ว, ว่าครั้งนั้นท่านเจ้ากุลอุบาลีขาหักเนื่องมาจากขึ้นธรรมาจเทศขาไปกระทบกับลูกกรง หากเราจะทัดทานก็ดูเป็นการขัดผู้ใหญ่ซึ่งกําลังป่วยอยู่และท่านก็อุตส่าห์ไปขอฐานาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าให้ด้วยในยะว่าครั้งแรกสมเด็จพระสังฆราชเจ้าจะไม่ส่งอนุมัติแต่ทรงเห็นว่าเจ้าคุณอุบาลีขาหักกําลังป่วยหากไม่อนุมัติจะขัดใจคนป่วยจึงส่งอนุมัติมาเมื่อเราได้รับอารัธนาเชิงบังคับเช่นนี้ก็ขัดไม่ได้ จึงเดินทางไปที่เชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2472พระอาจารย์มันทันเล่าว่าวัดเจดีหลวงเป็นวัดร้างมาแต่เดิมมาสถาปนาเป็นวัดธรรมยุทธขึ้นสมัยท่านเจ้าคุณอุบาลีนี่เองเป็นแหล่งที่มีความสงบพอสมควรไม่พลุกพล่านมีที่หลบพอที่จะบำเพ็ญสมณธรรมได้พอสมควรขณะที่อยู่นั้น ก็ได้แนะนาพระภิกษุสมเณรอุบาสกอุบาสิกาบาเพ็ญกรรมฐานท่านเล่าว่าแม้เราจะพยายามแนะนำเท่าไรก็ไม่เห็นจะเกิดประโยชน์เท่าที่ควรไม่มีใครเอาจริงเอาจังเป็นอย่างไรกันหนอจึงเป็นเช่นนี้แม้เราจะได้แสดงธรรมและทั้งธํามเป็นตัวอย่างก็ไม่เห็นใครคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเราจึงพิจารณาว่า ควรไหมที่จะเอาเกลือมาแลกพิมเสนวันและคืนที่ล่วงไปจะเป็นการเสียประโยชน์อย่างยิ่งทั้งตนเองและผู้อื่นเมื่อคิดถึงท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์ที่มีความหวังดีโดยต้องการจะให้วัดเจดีหลวงเจริญทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติอันเป็นความหวังดีของท่านนั้นก็ดีอยู่ที่ท่านยังไม่รู้ความจริงอีกลหลายๆประการ ซึ่งเราเองก็เคารพท่านอยู่ส่วนการเคารพก็เคารพแต่ส่วนความจริงก็ต้องมีส่วนหนึ่งศา ส, สนาเป็นสิ่งให้คุ ณ, ณประโยชน์แต่ถ้าเราทำให้ถูกจังหวะกาลเทศะมันอาจจะทำให้เสียาการเวลาที่ล่วงไปโดยจะพึงได้ประโยชน์น้อยไปความจริงท่านพระเทระทั้งหลายท่านชอบจะทำในสิ่งที่ท่านเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ทั้งๆที่สิ่งนั้นจะเป็นโทษแก่คนอื่น เรามองแง่เดียวครั้นเมื่อผู้น้อยไม่ทำตามก็หาว่าดื้อรั้นชอบตำหนินี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ควรจะคำนึงไว้ให้มากหากว่าจะมีการติดต่ออยู่ร่วมใกล้ชิดในสังคมนั้นท่านพระอาจารย์มันได้เล่าให้ผู้เขียนฟังต่อไปว่าเมื่อเราได้พิจารณาโดยรอบครอบแล้วกับการคิดถึงตัวว่า จำเป็นจะต้องฝึกฝนตนต่อไปหากว่าได้เป็นสมภารและอยู่นานไปความเป็นห่วงทั้งการงานญาติโยมมากขึ้นเรามาคิดว่าการเป็นเช่นนั้นก็ได้ประโยชน์อยู่หรอกแต่มันน้อยนักสำหรับนักปฏิบัติเพราะถือว่าเป็นอาวาสปริพโธดสำหรับคำว่าปริพโธดหมายถึงเครื่องผูกพันหรือหน่วงเหนียวเป็นเหตุให้ใจพวักพวงห่วงกังวล เหตุกังวลข้อติดข้องซึ่งมี1ิข้อที่พึงตัดเสียให้ได้เพื่อให้เกิดความปลอดโปรง่งพร้อมที่จะเจริญกรรมฐ า, านนะครับเรามาคิดว่าการเป็นเช่นนั้นก็ได้ประโยชน์อยูหรอกแต่มันน้อยนักสำหรับนักปฏิบัติเพราะถือว่าเป็นอาวาสปริพโท์ทั้งจะเป็นตัวอย่างไม่ดีแก่ศิษย์ของเราอีกจานวนมากซึ่งธรรมดาก็ชอบอยากจะเป็นสมพานกันอยู่แล้ว เมื่อมีคนนับถือมากลาบสักการะก็มากตามขึ้นด้วยท่านได้ยกพุทธภาษิตว่าสัากการโภพุริสังหันติสัากการะฆาบุรุษให้ตายเพราะมัวเมาในลาบในยศแล้วการปฏิบัติก็ค่อยๆจางลงจางลงทุกทีในที่สุดก็เกิดการฆาตกรรมตัวเองคือเอาแต่สบายไม่มีการบำเพ็ญกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นมีแต่จะหาชื่อเสียง อยากให้คนนับถือมากยิ่งขึ้นโดยวิธีการต่างๆนี่คือคาตกรรมตัวเองก็น่าฟังผู้เขียนนั่งฟังท่านเล่าเพลินไปเลยผู้เขียนได้เคยพูดไว้ว่าท่านพระอาจารย์มัน่นท่านพูดอะไรแล้วมีคติแฝงไว้อยู่เสมอราวนี้ก็เช่นกันสอนผู้เขียนซะอย่างลึกซึ้งทีเดียวแล้วท่านก็บรรยายต่อไปว่า เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วท่านก็พูดว่าพัดยศประกาศนิยบัตพวกเจ้าจงพากันอยู่วัดเจดีหลวงนิเถิดส่วนพระมั่นจะไปแล้วเท่านั้นเองท่านก็ลาจากความเป็นเจ้าอาวาสและพระครูโดยไม่มีหนังสือลาเป็นการลาโดยธรรมชาติซึ่งมีสิ่งหนึ่งภายในให้เป็นไปตามกาลเวลาอันเป็นสิ่งที่จะพึงมีแก่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ซึ่งไม่มีอะไรเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือความเคลือบแคลงมิได้เป็นกะโลบายอย่างบางท่านปากว่าตาขยิบฉันไม่อยากเป็นเจ้าอาวาสแต่ใจของฉันนั้นอยากจะเป็นแทบจะระเบิดเมื่อท่านจัดบริการของการไปทุดงเป็นต้นว่ากลดมุงบาทและสิ่งจำเป็นอื่นๆที่จะพึงใช้ สิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าก็ใช้อยู่เป็นประจำแม้จะมาอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงก็ยังปฏิบัติทุกอย่างเช่นกับอยู่ในป่าดงและทุดงการฝึกตนนั้นเราก็ต้องทำอยู่เป็นอาการลิโกไม่เลือกการเวลาและสถานที่โอกาสให้เมื่อไหร่ก็ต้องทำทั้งนี้เพื่อความไม่ประมาทการที่นักปฏิบัติทำผู้รอการเวลาสถานที่ แม้โอกาสให้แล้วแต่ก็มัวแต่รอรอว่าแก่ก่อนอายุมากก่อนรอว่าเข้าป่าก่อนอยู่ในดงในเขาก่อนจึงจะทำรอเข้าพรรษาก่อนออกพรรษาไม่ทำมัวแต่เลือกการเลือกสถานที่ก็เลยเสียเวลาไปโดยใช่เหตุการเดินเข้าไปหาที่วิเวกออกจากวัดเจดีหลวงครั้งนั้นท่านเล่าว่า ถนนรถยนต์ไม่มีเป็นป่าดงที่มืดครึมโดยความประสงค์เราต้องการที่จะไปให้ไกลที่สุดจึงได้มุ่งตรงไปทางอำเภอพราวเราก็เดินไปค้างแรมไปตามทางเมื่อเห็นว่าเป็นที่สงบสงัดดีก็อยู่พักนานเพื่อปรารบความเพียรเมื่อเห็นว่าจะเป็นการคุ้นเคยกับญาติโยมมากเข้าก็ออกไปเดินทางต่อไป เดินต่อไปในที่สุดก็เดินทุดงถึงถ้ำเชียงดาวปีนี้เป็นปีพุทธศักราช2473ในขณะนั้นถ้ำเชียงดาวยังไม่มีการปรุงแต่งอะไรเลยชาวบ้านแถวๆนั้นก็ไม่มีจะมีก็เฉพาะพวกเจาะน้ำมันยางเอาน้ำมันนั้นมาทําขี้ใต้ก็เพียงไม่กี่ครอบครัวนับเป็นสถานที่เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมเป็นอย่างยิ่งฟังท่านเล่าในสมัยนั้น กลับมาเปรียบเทียบสมัยนี้ซึ่งเป็นแหล่งทัศนาจรเป็นที่ท่องเที่ยวพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งอาคารร้านประกอบเป็นอาชีพและพยายามปรุงแต่งสถานที่ต่างๆเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติมาเป็นสิ่งวิ จ, จิตรด้วยน้ำมือมนุษย์อย่างนี้ทำให้ผู้เขียนรำพึงรำพันในใจว่าอ๋อนี่ก็ซาของนักปฏิบัติที่ตายแล้วผู้เขียนหมายความว่าไม่มีการปฏิบัติ อยู่ในที่นี้อีกแล้วถึงจะปฏิบัติก็ไม่ใช่เป็นที่สับปายะแล้วอาจจะมานั่งปฏิบัติหรือนั่งสมาธิในถน้านี้ก็คงจะไม่พ้นคำว่าโอ้อวดอยากดังเพราะจะต้องมานั่งโชว์ให้คนนับพันนับหมื่นดูกันผู้เขียนจึงพอใจที่จะพูดว่านี่คือซาของนักปฏิบัติธรรม ครั้งที่พระอาจารย์มั่นอยู่บำเพ็ญสมณธรรมอยู่นั้นต้นไม้ป่าสัตว์ร้ายย่อมเป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นอรันยิกสถานที่น่าสะพรึงกลัวแก่ผู้ยังหนาไปด้วยกิเลสแต่เป็นที่น่าอยู่แก่ผู้บำเพ็ญตบะพรมจรรันร์เพราะยิ่งป่าใหญ่ยิ่งครึ้มยิ่งวังเวงก็ยิ่งเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งท่านพระอาจารย์มันเล่าว่าครั้งแรกเราก็พักอยู่ตอนตีนเขา และบำเพ็ญสมณธรรมต่อไปก็ขยับอยู่ที่ปากถ้ำตรงปากถ้ำนั้นมีก้อนหินใหญ่ท่านใช้ก้อนหินนั้นเป็นที่นั่งสมาธิมีความรู้สึกว่าอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งไม่ใช่โลกนี้ไม่ว่าจะเดินหรือจะนั่งข้อนี้ทำเอาผู้เขียนสงสัยขึ้นได้ถามท่านว่าที่ว่าเหมือนอยู่ในโลกหนึ่งไม่ใช่โลกนี้นั้นท่านอาจารย์หมายความว่ายอย่างไร ท่านตอบว่าขณะที่เราเร่งความเพียรความยึดถือต่างนี้มันจะหดตัวเข้าทุกทีเพราะความยึดถือตัวนี้เองจึงเหมือนหนึ่งไม่ใช่โลกนี้เพราะโลกนี้นั้นเป็นอยู่ด้วยความเข้าใจกันต่างๆนานา น, านั้นมาจากความยึดถือทั้งสิน้นโลกนี้จึงอยู่ด้วยอุปาทานคือความยึดถือเรายิ่งอยู่ในป่าลึกไม่ใค้จะมองเห็นคนและสิ่งก่อสร้างต่างนาน า, น า, นาน ทั้งได้บำเพ็ญกรรมฐานเพ่งจิตจดจ่ออยู่เฉพาะจิตความเป็นเหมือนหนึ่งไม่ใช่โลกนี้ก็จะมากยิ่งขึ้นต่อจากนั้นท่านพระอาจารย์มัน่นท่านเล่าว่าเราก็ค่อยๆขยับเข้าไปในถ้ำลึกและลึกเข้าไปจนมืดมิดและเย็นมากหายใจก็รู้สึกว่าอึดอัดเมื่อท่านเข้าไปนั่งในถ้ำลึกนั้นท่านได้พยายามที่กําหนดจิต ปรากฏมันก็ทาให้มืดไปกับถ้ำด้วยทำให้จิตรวมได้ง่ายแต่สงบดีมากและสงบง่ายมากแต่เมื่อสงบแล้วจะพิจารณาอะไรก็ไม่ค่อยจะออกท่านได้พยายามอยู่หลายเวลาและก็ได้พิจารณาได้ความว่าการทำความสงบในเบื้องต้นนั้นหากว่าใช้สถานที่มิชิตจะเป็นประโยชน์ได้ผลเร็วยิ่งเป็นถ้ำมิชิตก็ยิ่งดี แต่ถ้ามิจชิดนี้จะอยู่นานไม่ดีเอาแต่เพียงได้ประโยชน์แล้วก็รีบเปลี่ยนสถานที่เสียเพราะจะทำให้เคยตัวหรืออีกอย่างหนึ่งก็จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นว่าโรคเหน็บชาหรือมาเรียเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นท่านพูดมาถึงตอนนี้ทำให้ผู้เขียนระลึกถึงตัวเองว่า เมื่อครั้งผู้เขียนเป็นสา ม, มเณรเดินทุดงไปกับพระอาจารย์กงมาจิราปุญโญไปหาถ้ำที่จะอยู่ทําความเพียรกันนั้นยิ่งเห็นทึบเท่าไหร่ก็ยิ่งชอบมากเมื่อครั้นไปพบถ้ำเขาภูดาอําเภอพยุหคีรีนครสวรรค์ผู้เขียนพยายามสแสวงหาที่มืดเข้าหาช่องถ้าที่ทึบที่สุดเท่าที่จะทึบได้เพราะจะทําให้จิตสงบเร็วในเมื่อผู้เขียนกําลังฝึกหัดใหม่ๆ แล้วก็ได้ผลเพราะทำให้สบายมากแต่ว่าเมื่ออยู่เป็นเวลานานประมาณสามเดือนรู้สึกว่าจะเกินไปซิแล้วทําเอาผู้เขียนเป็นสมาธิโมหะขนาดหนักเพราะเมื่อนั่งสมาธิแล้วจะเป็นเหมือนหลับไปเลยบางครั้งสับประงกถึงกับตกสล า, าดูรู้สึกว่าง่ายสำหรับการที่จะทำให้จิตสงบนั้นแต่ยากที่จะกาหนดรู้ให้คงอยู่ได้ตามความประสงค์ จึงเป็นประโยชน์และมีโทษเหมือนกันจนในที่สุดผู้เขียนต้องล้มป่วยแต่ใจดีป่วยก็ไม่กลัวถึงเราไม่กลัวแต่มารเรียก็ไม่เข้าใครออกใครผู้เขียนถึงกับเป็นมารเรียขึ้นสมองอย่างหนักจนถึงตายท่านผู้อ่านคงแปลกใจใช่ผู้เขียนเคยตายมาแล้วเพราะตอนนั้นไข้หนักจนจิตออกจากร่างที่ประจรถอน ทุกคนรวมทั้งอาจารย์กงมาและบิดาของผู้เขียนต่างก็พูดพร้อมกันว่าตายแล้วตัวเย็นชิปรจรถอนแต่ตอนนั้นผู้เขียนก็รู้สึกอยู่อย่างเดียวคือรู้แต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนมารู้สึกเอาเมื่อเขาพยายามเอาอิฐเผาไฟหน้าเข้าที่เทา้าจนมีความรู้สึกขึ้นทุกๆคนรวมทั้งท่านอาจารย์และบิดาก็ร้องขึ้นพร้อมกันว่าฟื้นแล้ว ปรากฏว่าผู้เขียนได้ตายไปร่วมชั่วโมงนั่นน่ะสิผู้เขียนเกือบตายเสียจริงๆไปแล้วแต่ยังกลับฟื้นคืนชีพมาพบกับท่านพระอาจารย์มั่นพระเทระผู้ทรงคุณวุฒิในทางปฏิบัติกรรมฐานกลับได้ไปอยู่กับท่านและยังจำข้อความคำพูดอันจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างมาเขียนให้ได้อ่านเข้าใจถึงเหตุผลบางประการซึ่งก็นับว่าเป็นบุญของผู้เขียนอยู่ พระอาจารย์มั่นท่านได้เล่าว่าเมื่อเข้าไปอยู่ที่ลึกอย่างนั้นการพิจารณาก็ขยายออกยากมากแต่ท่านเป็นนักผจญภัยและนักสู้ที่แท้จริงไม่ยอมแพ้แก่ธรรมชาติอย่างง่ายๆท่านได้พยายามอยู่ในถ้ำลึกคืนหนึ่งกำหนดจิตอย่างหนักเพื่อให้เกิดพลังของการพิจารณาท่านว่าไม่ยอมให้มันมิดไปเฉยๆ กำหนดความรู้และใช้กำลังพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อปล่อยให้มันมิดแต่ตามกำหนดรู้แล้วก็ขยายการมิดให้ออกมาพิจารณาท่านพูดว่าได้กำหนดเป็นอนุโลมและปฏิโลมอนุโลมคือปล่อยให้มิดไปปฏิโลมคือไม่ยอมให้มิดกำหนดพิจารณาพิจารณาอะไร พิจารณาถึงสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นดับไปอาศัยการพิจารณาอยู่อย่างนี้ด้วยความมีสติกำหนดไม่ปล่อยกำลังของปัญญาก็รวมจุดเกิดเป็นพลังใหญ่ในเวลาประมาณตีสองปรากฏขึ้นในใจของท่านว่าทําเชียงดาวได้แยกออกเป็นสองซีกสว่างไปหมดที่แยกออกนั้น แยกออกจริงๆการหายใจที่เคยอึดอัดหายหมดความเป็นเช่นนี้ได้ปรากฏอยู่ตลอดคืนท่านเล่าว่าทุกอย่างเหมือนไม่ได้อยู่ในถ้ำทำให้รู้สึกถึงอดีตอะไรมากอย่างทีเดียวพร้อมทั้งเข้าใจวิธีการแก้ไขในขณะที่เกิดความหลงอยู่ในสมถะท่านเคยตำหนิผู้ที่หลงอยู่ในสมถะมากมายหลายองค์เพราะว่าการหลงอยู่ในสมถะ ก็เท่ากับสมาธิหัวต่อท่านพูดอยู่เสมอๆว่าสมาธิหัวต่อนั้นเป็นอย่างไรคือมันไม่งอกเงยอะไรขึ้นมาเป็นอย่างไรก็แค่นั้นเองข้อนี้ท่านหมายความว่าผู้มีสมถะแล้วให้มีวิปัสสนาด้วยจึงจะเป็นการถูกต้องเป็นนั้นว่าถ้ำเชียงดาวท่านก็มาได้รับประโยชน์พอสมควร และทั้งได้นำมาเล่าสู่ลูกศิษย์เช่นผู้เขียนและอื่นอื่นอีกมากเพื่อจะได้เป็นกติตัวอย่างอันเป็นสิ่งที่มีค่าเลิศเกินค่าของท่านผู้บริสุทธินี้แม้จะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ควรจะได้น้อมรับนำเป็นตัวอย่างผู้เขียนเองก็ไม่ใกล้อยากจะเขียนเท่าไหร่เพราะเราก็รู้ๆกันอยู่ในตัวของเราเองแล้วท่านพูดให้ฟังเล่าให้ฟังก็รู้อยู่ทั้งนั้น เลื่อมใสเราก็เลื่อมใสเชื่อเราก็เชื่อเป็นประโยชน์เราก็ได้รับแล้วเรื่องอะไรจะมาเขียนให้เสียเวลาอีกเล่าแต่เหตุผลที่จะต้องเขียนนั้นมีอยู่เพราะได้รับความรบเร้าเตือนใจจากบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งคำพูดและจดหมายต้องเขียนตอบไปให้มากมายและตอบไปกับปากก็มากและอีกประการหนึ่งผู้เขียนก็เคารพท่านจริงๆ องอื่นก็คงจะเป็นเหมือนผู้เขียนอีกหลายท่านด้วยเหตุผลสองประการนี่แหละทำให้ต้องย้อนกลับมาเขียนเรื่องของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอีกรั้งและด้วยความจำใจจริงๆจึงทำให้การเขียนต้องบัรจงและระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะกลัวว่าจะผิดพลาดจากความเป็นจริง พุทศกราชสองตอนพระอาจารย์มั่นจำพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ดอยจอมแตงอําเภอแม่ริมอันที่จริงดอยจอมแตงนี้เป็นทางทางเดียวกันกันกบทางไปถ้ำเชียงดาวแต่ถ้าเดินทางจากเชียงใหม่ปัจจุบันจะถึงแม่ริมก่อนการเดินทางของท่านพระอาจารย์มั่นดังได้กล่าวแล้ว คือจุดประสงค์ของการทุดงของท่านนั้นโดยความมุ่งหมายต้องการที่จะหาความสงบและวิเวกไม่ต้องการให้ใครเขารู้ว่าตัวของท่านมีความสำคัญอย่างไรแม้ท่านจะถูกตั้งเป็นพระครูฐานาของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเป็นเจ้าอาวาสเป็นพระอุปชาท่านก็ไม่นำเอาไปทุดงด้วยฉะนั้นเมื่อท่านเห็นว่าอยู่ท่าเฉียงดาวหลายพลาแล้วก็จึงเดินทางวกลงมาเรื่อย จนถึงดอยจอมตองอำเภอแม่ริมท่านเล่าว่าพรรษานี้จำพรรษาอยู่บนภูเขาอากาศชุ่มชื้นฝนตกมากหนาวจัดพวกชาวบ้านได้หาฟืนมาไว้สำหรับท่านก่อไฟผิงยกเป็นกุฏิมุงด้วยใบตองตึงทำรั้วด้วยไม้รวกยาวๆพอเป็นที่ป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆ ต, ต, ตามธรรมเนียมของพวกชาวเขาแม้ท่านจะบอกเขาว่า รัวไม่ต้องทำก็ได้แต่เขาก็ไม่ยอมได้ช่วยกันทำถวายท่านและจะมีคนมาคอยดูแลก่อไฟรับใช้ท่านต่างๆท่านบอกว่าไม่ต้องหรอกเขาก็ไม่ฟังมาคอยดูแลช่วยอยู่นั่นเองท่านเล่าว่าในพรรษานี้ก็เป็นพรรษาที่มีความรู้สึกว่าปลอดโปรง่งและได้ความละเอียดทางใจมากเพราะเหตุว่าอยู่องค์เดียวไม่ต้องสอนใคร พูดกับพวกชาวเขาก็ไม่รู้เรื่องกันเหมือน ก, นกันกับอยู่วิเวกอย่างดีที่สุดจึงทำให้หวนระลึกถึงคำพูดของท่านพระสารีบุตรว่ากายวิเวกเป็นเหตุให้บังเกิดจิตวิเวกจิตวิเวกเป็นเหตุให้บังเกิดอุปธิวิเวกข้อนี้เป็นความจริงแท้และสิ่งเหล่านี้จะพึงเข้าใจได้ในตัวของตัวเองในเมื่อบุคคล น, นั้นกระทาขึ้น การพูดเป็นสิ่งง่ายการกระทำเป็นคนแล้วเรื่องกันเพราะเมื่อมาประสบกับวิเวกอย่างจริงจังเช่นนี้เป็นเรื่องที่จะต้องมีอะไรภายในวิเศษบังเกิดขึ้นท่านได้นเน้นว่าวิเวกนี้มันเกิดความชินชาได้เหมือนกันเพราะเหตุแห่งการอยู่นานแม้ว่าสถานที่จะวิเวกสักเพียงใด เมื่ออยู่หลายเพลาเข้าก็เกิดความเข้าใจว่าเป็นที่ของเราและเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับใจได้แก่ความเคยชินนี้ก็ควรจะต้องเข้าใจตัวเองและอย่าไปเข้ากับตัวเองจนเสียคนโดยความเข้าใจว่าเราก็อยู่บนภูเขาป่าดงถ้าแต่ว่าอยู่เสียจนเคยชินหรือชินชาเสียแล้วมันก็ไม่ผิดอะไรกับอยู่ในบ้านในเมืองจงพากันเข้าใจว่า ทำป่าภูเขานั้นก็เป็นเพียงสถานที่อยู่และเป็นที่วิเวกได้จริงแต่อย่าไปอยู่นานเกินควรผู้เขียนรู้สึกว่าด้ยวยความรู้เป็นพิเศษขึ้นมากในข้อนี้ทาให้เกิดความเข้าใจว่าการอยู่ในที่วิเวกแม้จะเป็นป่าเขาก็ยังทำให้เกิดความชลาใจได้เหมือนกันจึงต้องควรระวัง ไม่ใช่ว่าจะถือเอาการอยู่ป่าเขาเป็นสาระตลอดไปการอยู่ป่าเขาก็ดีเมื่อตั้งใจแน่วแน่เพื่อพระนิพพานไม่ใช่เพื่อประโยชน์อย่างอื่นท่านพระอาจารย์มั่นได้พูดถึงการอยู่ในสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นที่อยู่วิเวกจริงและต้นไม้ป่าก็ทึบมากมีบริเวณภูเขาไม่ใหญ่โตอะไรนัก ชาวบ้านเหล่านี้ก็มีศรัทธาดีอยู่แม้ว่าพวกเขาจะเป็นชาวเขาพวกเขามีพิธีการทางศาสนาพุทธนี้เหมือนกันท่านเล่าว่าวันออกพรรษาเขาจะทำบุญพิเศษเช่นการทำขนมแบบง่ายๆมาถวายกันมากที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือถวายเข็มเย็บผ้าเขาจะทำเป็นธงยาวเอาไม้ไผ่ทำเป็นคันเหมือนคันธงกระถินของเรา แต่เขาเอาผ้าบางๆมาทาธงยาวเกือบพื้นดินแล้วเขาก็เอาเข็มมากลัดติดกับผ้าตั้งแต่โคนธงถึงปลายธงแล้วให้พระมารับธงนั้นถือว่าได้บุญมากส่วนที่เขาอยู่กันนั้นเป็นบ้านพักชั่วคราวไม่ถาวรใจเบตองตึงมุงลางคากันเป็นส่วนมากสำหรับการปกครองของเขานั้นเขามีหัวหน้าซึ่งจะไม่ใช่ทางรัฐบาลแต่งตั้ง เขาตั้งกันขึ้นเองแล้วก็เชื่อฟังกันดีมากเมื่อหัวหน้าบอกอย่างไรเป็นต้องทำตามกันมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนคนหนึ่งทําผิดคือไปขโมยของเข้ามาแล้วเจ้าทุกข์ก็จับตัวได้พามาหาผู้เป็นหัวหน้าเมื่อหัวหน้าถามว่าเจ้าขโมยของเขาจริงหรือเปล่าขโมยก็บอกว่าเปล่าผมไม่ได้ขโมยที่จับตัวมันเนี่ยผิดแล้วไม่ใช่ผม เมื่อหัวหน้าพยายามถามเท่าไรก็ไม่รับเจ้าทุกข์ก็ยืนยันว่าใช่แน่หัวหน้าพร้อมชาวบ้านกลุ่มหนึ่งจึงทำพิธีโดยการบวงสรวงเทวดาผีป่าต่างๆแล้วก็เอาตะกัวมาเคี่ยวให้ละลายอยู่ในเบ้าและเขาก็จับมือขโมยกดลงไปที่เบ้าหลอมตะกัวนั้นแต่ให้หา่างไม่ให้ติดกะประมาณหนึ่งนิ้วถ้าเป็นขโมยจริงๆตะกัวที่ล้อมละลายนั้น จะพุ่งขึ้นมารับนิ้วมือผู้ทุจริตถ้าเป็นผู้สุจริตตะกัวจะไม่พุ่งขึ้นมาขณะนั้นเขาก็จับมือขโมยกดลงใกล้เข้าเพราะได้จังหวะเท่านั้นเองตะกัวได้พุ่งขึ้นจับมือขโมยทันทีเท่านั้นเองเขาก็รู้ว่าเจ้านี่เป็นขโมยตัวจริงแล้วก็ลงโทษกันเองโดยการเคียนบางการล่ามโซไปห้าวันสิวันบาง แต่พวกเขาก็ยอมกันโดยดีโดยไม่ได้มีการขัดขืนแต่อย่างใดส่วนอาหารนั้นก็เป็นไปตามอย่างชาวป่าทั้งหลายเขาทากันไปตามมีตามได้และทํากันอย่างง่ายงไม่ใกล้จะสะอาดกันเท่าไหร่แต่เป็นสิ่งธรรมดายอย่างหนึ่งสําหรับการไปทุดดงไม่ถือเอารสชาติความอร่อยชอบใจเป็นเกณฑ์ หรือเอาความเพียงอยู่ได้เพียงเพื่อมีชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเป็นพอความจริงของการถือสันโดษเอาตามีตามได้เป็นสัญลักษณ์ของนปรพชิตยอยู่แล้วการที่จะคนสเสบียงไปทุดงนั้นผิดวิสัยเพราะเมื่อจะทุดงแล้วก็ควรจะให้มีอาหารเพียงประทังชีวิตและเป็นการดีมากเมื่อมีอาหารธรรมชาติไม่มีการบำรุงจนเกินไป ซึ่งจะทำให้ร่างกายแข็งแรงมากก็จะทำให้การทำความเพียรลาบากขึ้นเช่นชันเนื้อไข่มากๆ ก, ก, ก็จะทำให้จิตใจฟุ้งมากกว่าการชันผักมากจำพวกดอกเหล่าเห็ดผักบุง้งผักเต้าเพกาเหล่านี้แม้จะมีปลาบ้างแต่เป็นผักเสียส่วนมากก็จะทำให้การทำจิตดีขึ้นเมื่อทุดงไปอยู่ถิ่นธุรกันดาร ก็จะฉันอาหารผักส่วนมากจึงเป็นเหตุให้ได้ประโยชน์หลายทางคือทางหนึ่งได้รับกายวิเวกทางหนึ่งได้อาหารธรรมชาติไม่บำรุงมากนักจึงทำให้เกิดผลมากในการบำเพ็ญสมณธรรมผู้เขียนได้ฟังท่านเล่าแล้วจับใจมากเรื่องของอาหารนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่า สัพเพสัตตาอาหารทิติกาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารคือถ้าไม่มีอาหารก็ต้องตายไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เราเรื่องอาหารนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องแก้ปัญหากันอย่างมโหฬารถึงกับมีการคุมกำเนิดป้องกันการเกิดชะล อ, อการเกิดมันเป็นเรื่องใหญ่แท้ครันมาคิดคิดถึงพระทุดงแล้วท่านได้ชะล อ, อการเกิดและจากัดอาหาร ทั้งไม่นำเอาเรื่องอาหารมาเป็นเรื่องใหญ่จึงเป็นการเสียสละของท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นปัจจุบันการเดินทุดงจะเป็นเหมือนครั้งท่านพระอาจารย์มั่นเล่าให้ผู้เขียนฟังหรือเปล่าอาจจะเป็นเหมือนหรืออาจจะไม่เหมือนก็ได้เพราะปรากฏว่าบางแห่งไปทุดงกันเป็นร้อยๆอยอันเป็นภาระให้ชาบ้านหรือตัวท่านลาบาก ต้องจัดอาหารกันใหญ่ไม่ได้ท้งกายวิเวกไม่ได้ทางการจํากัดอาหารผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากการทุดงจะเป็นดังหรือจึงเป็นเรื่องที่เราจะรู้จักความจริงของการทุดงว่าเป็นอย่างไรเอาไว้บ้างก็จะดีกว่าที่เราจะเอาเรื่องของการทุดงเป็นเรื่องโฆษณาหรือเป็นเรื่องอะไรที่แอบแฝงอยู่เบื้องหลังเพราะทุดงเป็นการสแสวงหาวิโมกขธรรมนั้นดีจริง และได้ผลจริงหากการทุดดวงนั้นได้เป็นไปเพื่อกายวิเวกและจำกัดอาหารเขียนเพลินไปเสแล้วฝั่งท่านพระอาจารย์มันท่านเล่าต่อไปดีกว่าปีนี้เป็นปีที่มีความพิเศษเพราะว่าได้ออกจากสิ่งต่างๆที่เป็นปริโภธนั้นแม้จะไม่ทําให้จิตวั่นว้แต่ก็ไม่ทําให้เกิดความละเอียด ท่านพูดถึงฌานต่างๆและสมาธิว่าส่วนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งแห่งสังขารเพราะฌานและสมาธิเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีการเสื่อมถ้าหากการเจริญไม่เป็นไปตามการบุคคลบางคนเข้าใจว่าผู้มีสมาธิดีหรือได้ฌานชั้นสูงจะต้องเป็นผู้อยู่ในลักษณะสงบหรือมั่นคงไม่หวั่นไหวตลอดไปเป็นการเข้าใจผิด เมื่อบุคคลยังเป็นไปเพียงแค่ฌานหรือสมาธิย่อมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมได้ท่านเล่าว่าปีนี้ได้พิจารณาย้อนหลังถึงการอยู่ในวัดเจดีย์หลวงและกรุงเทพจึงมาพิจารณาได้ทราบความถึงเจตนาของนักปฏิบัติบางท่านที่ยังไม่เข้าใจความจริงและทั้งยังไม่ได้ดาเนินวิปัสสนาอันเป็นทางให้บังเกิดกิเลสได้ จึงทำให้เกิดความผันแปรต่างๆของนักปฏิบัติจนถึงออกนอกลู่นอกทางโดยตัวเองไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าผู้ปฏิบัติกรรมฐานนี้เป็นหลักการที่น่าเคารพนับถือและจะถือได้ว่าเป็นบุคคลที่เสียสละอย่างสูงจึงทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าท่านผู้ปฏิบัติกรรมฐานหรืออยู่ปาบาเพญสมณธรรมท่านเป็นผู้วิเศษซึ่งมีสิ่งอันพิเศษอยู่ นี่แหละคือความเห็นความเข้าใจและเชื่อถือในหมู่บุคคลชาวพุทธเป็นส่วนมากเพราะชาวพุทธโดยทั่วไปเมื่อเห็นผู้ใดมีความจงรักภักดีเสียสละให้แก่พระพุทธศาสนาแล้วเป็นต้องสนับสนุนเคารพนับถือนี่เป็นความจริงข้อหนึ่งท่านเล่าว่าท่านใดวิตกกังวลขึ้น ในขณะที่อยู่ในสถานที่นี้ถึงการปฏิบัติกรรมฐานบำเพ็ญสมณธรรมของพระภิกษุสามเณรต่อไปในการข้างหน้าว่าจะทำอย่างไรจะเป็นอย่างไรเพราะเมื่อมีผู้คนนิยมการปฏิบัติมากขึ้นก็จะไม่จำกัดอยู่เฉพาะพระภิกษุสามเณรเท่านั้นยังจะต้องแผ่กว้างออกไปถึงคารวาสผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาต่อไปอีก ความกว้างขวางออกไปนั้นก็เป็นการดีอยู่เพราะจะได้เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญขึ้นส่วนหนึ่งแต่จะต้องทราบความจริงว่าความกว้างออกไปของการปฏิบัติจิตใจนั้นมีข้อเสียหายไม่ใช่น้อยเลยเป็นต้นว่ามีการคิดคาดคะเนเดาเอาว่าความเป็นเช่นนี้ของเราถูกของคนอื่นไม่ถูกความเป็นเช่นนี้เป็นพระอรหันต์หรืออริยะบุคคล ความเป็นเช่นนี้คือยานคือฌานบางหมู่บางพวกตั้งกกขึ้นสอนกรรมฐานกันไปตามอารมณ์นี่ล่ละเป็นภัยอยู่มากเป็นทางให้เกิดความเสื่อมได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามทันเล่าว่าก็เป็นการดีที่อนาคตไม่นานจะมีการแข่งขันกันในด้านการสอนกรรมฐานการปฏิบัติกรรมฐาน ท่านเล่าตอนหนึ่งว่าในสถานที่แห่งนี้เชาบ้านเขาไม่ได้มารบ ก, กวนเขาก็ใจว่าเราเป็นพระตูตเจ้าองค์หนึ่งเวลาแห่งการพิจารณาธรรมต่างๆจึงเป็นโอกาสดีมากตอนเช้าเขานำอาหารมาส่งรับพอแล้วก็กลับตอนเย็นบางทีเขาก็มาดูบ้างคนสองคนเพื่อคอยดูแล ว, ว่าเราจะต้องการอะไรบ้างเมื่อเห็นว่าไม่ต้องการอะไรวัน ต, ต่อมาเขาก็ไม่มา เป็นอ น, นว่าได้อยู่จําพรรษาอย่างสงบวิเวกในปีนี้พุทธศักราช2474ตอนพระอาจารย์มั่นภูริทัตเทระจําพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่ที่บ้านโปองอำเภอสันป่าตอง หลังจากที่ท่านได้พักผ่อนในอรันราวป่าที่จอมทองในพรรษานั้นแล้วเมื่อออกพรรษาท่านได้เดินทุดงตามสถานที่ต่างๆเพื่อสแสวงหาความสงบต่อไปท่านเล่าต่อไปว่าเชิงใหม่นี้เป็นป่าดงกว้างขวางภูเขามากมายสิงสาราสัตว์เป็นต้นว่าเสือช้างงูก็มากหากแต่สัตว์เหล่านั้น ไม่เคยทำอันตรายแก่พระภิกษุสามเณรที่สัญจรไปมาเลยครั้งหนึ่งท่านพักอยู่ในราวป่าเขตของอาเภอสันป่าตองฝนได้ตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันแถวแถวนี้หมู่บ้านที่ไม่ใช่ชาวเขาพากันทำไร่อยู่ประมาณสิบกว่าหลังคาเรือนท่านอาศัยหมู่บ้านนี้บินทบาดและที่ท่านอยู่มีคลองขวางกั้นอยู่จะไปบ้านต้องข้ามคลองไป คลองนี้ไม่กว้างนักชาวบ้านเขานำคอนไม้มาวางเป็นสะพานไม้เมื่อฝนตกหนักคราวนี้น้ำบ่าแรงได้พัดไม้สะพานไปเมื่อน้ำไม่ลดท่านก็ข้ามน้ำไปบินทบาดไม่ได้โยมก็มาหาท่านไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องอดอาหารส่วนทางชาวบ้านร้อนใจมากกลัวท่านจะอดจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะข้าม ชาวบ้านเขาพยายามอยู่นานก็สามารถข้ามน้ำนำอาหารมาถวายได้ฝนที่ตกติดต่อกันมาหลายวันนั้นก็ยังไม่มีทีท่าจะหยุดลงได้ก็ยิ่งทำความลาบากแก่ชาวบ้านที่จะมาถวายอาหารบินทบาทและแก่ท่านที่จะออกบินทบาทแม้ท่านบอกว่าอตมาจะอดได้ 3-4 ถึงสวันไม่เป็นไรหรอกโยมชาวบ้านก็กลัวจะบาป ยอยมให้อดไม่ได้จึงเป็นการต่อสู้กับภัยธรรมชาติครั้งสำคัญครั้งหนึ่งเมื่อฝนตกกรำมมาหลายเวลายังไม่มีทางว่าจะผ่อนคลายลงนั้นท่านก็ได้รำพึงและพูดเปลเรยออกว่าพญานาคเอ้ยพวกเธอจะเล่นน้ำกันไปถึงไหนจนน้ำนองไปหมดแล้วพระก็ลำบากชาวบ้านก็ลำบากหยุดเล่นกันเสียทีเถอะ ฝนก็เริ่มหยุดเป็นปกติน้ำก็เริ่มลดลงชาวบ้านก็มาถวายอาหารตามปกติต่อมาวันหนึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นได้มาช่วยปนิบัติท่านโดยการหาฟืนมาและก่อกองไฟถวายตลอดถึงต้มน้ำร้อนวันนั้นมีงูตัวหนึ่งเป็นงูทับทานปล้องเหลืองปล้องดำขนาดยาวถึงสองวาเห็นจะได้มาขดอยู่ในกองฟืน ความจริงตามป่ากเขานย่า น, นี้ก็เป็นดงงูอยู่แล้วพวกงูจำนวนมากอาศัยอยู่รอเป็นหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ต้นไม้ใหญ่เล็กประเกะระกะเหมาะแก่การอยู่ของพวกสัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้แต่งูตัวนี้มาขดอยู่ที่กองฟืนงูตัวนี้ประหลาดกว่า ง, งูอื่นๆคือมันไม่ยอมจะไปไหนถึงมันไปชั่วครู่แต่มันก็ต้องกลับมาขดอยู่ที่เก่าโยมปรนิบัติท่านอยู่ก็กลัว เพราะตัวมันใหญ่โยมจึงหาไม้มาอันหนึ่งยาวโดยมีความตั้งใจจะไล่มันหนีท่านรู้เข้าก็ออกมาจากที่พักมาพูดกับโยมว่าอย่าไล่มันเลยมันจะมาอยู่เป็นเพื่อนเราลองให้มันอยู่ดูหรือว่ามันจะอยู่นานเท่าไหร่โยมบอกว่างูตัวเนี้ยอันตรายมากกัดแล้วตายเลยเผ ล, อ เ, ลอเดียวใครมาถูกมันเข้าโดนกัดจะลาบากท่านบอกว่า งูตัวนี้ไม่ทําอะไรใครหรอกมันเป็นสิ่งประหลาดกว่างูตัวอื่นๆตัวเนี้ยมันเชื่องมากเวลามันเลื้อยออกมาตอนต้มน้ําเสร็จแล้วคล้ายกับมันอยากจะทําการปฏิบัติอะไรสักอย่างเลื้อยไปเลื้อยมารอบๆบริเวณหางของมันจะแกว่งเป็นบริเวณกว้างมันจะออกทําอย่างนี้วันละสองครั้งแล้วก็เข้าไปขดอยู่ที่เดิมมันอยู่กับท่านจนท่านจากมันไป มันก็หายไปเหมือนกันเจ้า บ, บ้านในหมู่บ้านนี้ได้เล่าให้ฟังว่างูตัวนี้ถ้าจะเป็นงูเจ้าหรืองูเทวดาอะไรก็ไม่ทราบมันจึงมีความรู้สึกเกือบจะเป็นคนเรื่องนี้ทําให้ผู้เขียนระลึกไปถึงเมื่อรังผู้เขียนเป็นสามเณรอยู่จังหวัดจันทบุรีรันเมื่อผู้เขียนทุดงไปตามภูเขาสะบาป เข้าไปพักอยู่ที่บ้านกงศีไร่ประมาณปีพุทธศักราช2481พบกับลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อหมอสมอนนามสกุลพักดีมาขอฝึกการทำสมาธิกับผู้เขียนและเป็นผู้ทาจริงๆ จ, จนถึงกับเกิดสมาธิที่กล้าแข็งขึ้นมีจิตสงบทั้งภรรยาของเขาด้วยบำเพ็ญจนไม่รับประทานอาหารตอนบ่ายรับประทานหนเดียวเหมือนกับพระทุดง เมื่อหมอสมอนี้ได้สนิทสนมคุ้นเคยกับผู้เขียนจนเป็นกันเองขึ้นแล้วเขาก็พูดขึ้นอยู่บ่อ ย, อยว่าผมเนี่ยเป็นญาติกับงูผู้เขียนก็ไม่ใคร่จะสนใจนักนึกว่าคงจะเป็นเรื่องนิยายมากกว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่เมื่อเขาได้พูดหลายครั้งประกอบกับมีพยานหลายคนผู้เขียนชักจะสนใจขึ้นจึงขอทราบความจริงของการที่เขาเป็นญาติของงูได้อย่างไร หมอสมอนจึงเริ่มเล่าว่าเมื่อนานมาแล้วชั่วอายุคนหนึ่งมีครอบครัวเรือนหนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลบางกะจะ่าอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครอบครัวนี้หลังจากแต่งงานแล้วก็ตั้งคันขึ้นตอนคลอดลูกออกมาคนแรกปรากฏว่าเป็นงูเกิดความตกใจกันขึ้นด้วยความกลัวคิดว่าจะเอาใส่ขวดดองซะ แต่นางมารดาก็มีจิตสามัญสำนึกแห่งการรักบุตรของตนอยู่จึงห้ามการที่ฆ่าบุตรแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อมามารดาคนนี้คลอดบุตรอีกเจคนชายห้าหญิงสองคนคนสุดท้องเป็นหญิงรั้นเจริญวัยใหญ่โตกันขึ้นต่างก็มีครอบครัวไปกันหมดแล้วก็ได้ตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นหมู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ส่วนงูผู้เป็นพี่ใหญ่นั้นเมื่อโตขึ้น ก็เกิดความระแวงแก่คนโดยทั่วไปอาจจะเกิดอันตรายแม้แต่ญาติพี่น้องก็ตามที่หมอสมอนได้เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขาจะออกมาเลื้อยเล่นตามลานบ้านแล้วจะมีงูอื่นๆมาเป็นพวกด้วยเลยเกิดเป็นบ้านงูขึ้นจึงยิ่งทําให้เกิดความหวาดกลัวแก่บุคคลทั่วไปมากขึ้นหมอสมองเล่า ว, ว่างูตัวนี้มีสีขาวบนดา มีงอนด้วยเชื่องมากแม่พูดอย่างไรจะทำตามทุกอย่างเช่นอย่างบอกให้อยู่เฉยเฉยเขาก็นอนตามความแนะนำบอกให้ลงไปเล่นข้างล่างก็ลงไปบอกให้อย่ามาใกล้ก็ไม่มาบอกให้มาใกล้ก็มาผู้เขียนถามว่าเอาอะไรเป็นอาหารแกงูหมอสมพรว่าไก่และเนื้อสัตว์อื่นๆที่ฆ่ามาแล้ว และหมอได้พูดต่อไปว่าแม่ของงูนี้ไม่กลัวงูเลยบางครั้งจะจับคลำเล่นเหมือนกับว่ามันไม่ใช่อสรพิษอย่างนั้นแหละจึงรวมความว่าแม่รู้จักภาษางูและงูก็รู้จักภาษาคนเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะมีได้แต่ก็มีมาแล้วกระทั่งบัดนี้ก็ยังมีญาติของงูเหลืออยู่แม้จะเป็นสิ่งเหลือเชื่อ แต่หลักฐานยังบ่งชัดว่าน่าจะเป็นไปได้ครั้นต่อมาผู้คนในละแวกนั้นเกิดไม่ไว้ใจในงูซึ่งเป็นสัตว์มีพิษมากขึ้นขอร้องให้นำไปปล่อยเสียที่อื่นผู้เป็นแม่ก็จนใจอยู่มาวันหนึ่งแม่จึงเรียกงูนั้นมาและพูดว่าขณะนี้ชาวบ้านเขากลัวกันมากเพราะตัวเจ้าก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นทุกวัน แม่จำเป็นต้องขอร้องให้เจ้าจงหาทางไปอยู่ิสี้ยที่เป็นวิสัยของเจ้าเถอะหมูก็เป็นผู้ว่าง่ายอยู่แล้วเมื่อแม่ขอร้องก็จึงไปหาน้องๆทุกคนแล้วก็มาประงกหัวลาแม่บังเกิดกล้าเลยลงมาจากบ้านอย่างเชื่องช้าพร้อมกับร้องไห้น้ําตาไหลพรากและเปล่งเสียงวิทวิทประมาณหถึงหครั้งแล้วก็เลืยหายลงไปสู่ทะเล ต่อมาเขาจะมาเยี่ยมแม่ของเขาทุกๆเจ็ดวันและต่อไปเขาจะมาเยี่ยมแม่ของเขาทุกๆเดือนจนถึงปีหนึ่งเขาจะมาเยี่ยมแม่ของเขาครั้งในการมาเยี่ยมแต่ละครั้งนั้นจะมีพวกติดตามมามากมีงูหลายชนิดเหมือนกับคอยอารักขาเวลามาเยี่ยมนั้นเขาจะอยู่ประมาณครึ่งวันจึงจะกลับครั้งสุดท้ายแม่ป่วยไม่สบาย เขารู้ได้อย่างไรไม่ทราบเพราะแม่ป่วยครั้งนี้จะต้องตายแน่เขาพาพวกเขามาอยู่กับแม่ของเขาจนแม่เขาถึงแ ก, ก่กรรมและในครอบครัวนั้นก็มีการแจกสมบัติขนาดแจกสมบัตินั้นงูก็ยังอยู่ฟังเขาพูดกันจนรู้เรื่องคำพูดคำหนึ่งนั้นที่งูสนใจคือเราจะแบ่งสมบัติออกเป็นเจ็ดส่วนมูผู้เป็นพี่ก็มีส่วนด้วยขณะนั้นเอง งูได้ทำกิริยายอย่างหนึ่งโดยเอาหางชี้ไปที่น้องคนสุดท้ายเป็นนั้นทราบว่างูมีความประสงค์จะมอบสมบัติส่วนตัวให้แก่น้องคนสุดท้องเป็นนั้นว่าเสร็จสิ้นกันไปแล้วงูนั้นก็ลาน้องๆจากไปนับตั้งแต่นั้นจนบัดนี้ก็ไม่ปรากฏว่างูนั้นหวนกลับมาอีก ผู้เขียนพูดมายืดยาวเพื่อให้เป็นการแก้อารมณ์ท่านผู้อา่านที่ต้องเคร่งเครียดอยู่กับประวัติของพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเทระไปบ้างต่อไปก็จะได้เริ่มเขียนการจำพรรษาของท่านอีกต่อไปปีนี้ท่านจำพรรษาอยู่ที่บ้านโปองอำเภอสันป่าตองบ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่เล็กมากมีอาชีพทำพืชไร่ล้มลุก ปลูกเผือกมันงาพืชไร่ต่างๆนำเอาเข้าไปขายในอาเภอความเป็นอยู่ของเขาไม่มีอะไรมากเพียงแต่มีชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งแต่เขาก็อยู่กันอย่างสบายที่นี่ไม่ใช่ภูเขาเป็นที่ราบแต่เป็นป่าไม้ใหญ่มีพวกไม้ยางและไม้สักมากเป็นป่าระหงไม่ใช่ป่าทึบท่านพูดว่าเราต้องการหาที่โปร่งๆจาพรรษาสาหรับปีนี้ เพื่อจะได้พิจารณาถึงการอยู่ป่าที่จะอยู่ได้ น, น, นานเพราะป่าบางป่าชุ่มเกินไปป่าบางป่าทึบเกินไปอยู่ลำบากมากอาจจะเกิดโรคภัยต่างได้ทั้งเป็นการบั่นทอนกำลังของร่างกายแต่ว่าป่าทึบนั้นก็ดีแต่เฉพาะที่ไม่ใช่หน้าฝนถึงอย่างนั้นจะอยู่ น, น, นานก็ต้องมีการถากทางเบิกป่าออกไปบ้างก็เป็นภาระไม่ค่อยจะจาเป็นนัก การอยู่ที่บ้านโป่งนี้เป็นป่าต้นไม้ใหญ่ก็จริงแต่ไม้ใหญ่นี้ขึ้นสูงมากต้นไม้อยู่ข้างๆก็ไม่มีโอกาสจะโตขึ้นได้เพราะร่มต้นไม้ใหญ่บงังถึงแม้จะมีการถากถางก็ไม่ต้องทำอะไรมากบางแห่งไม่ต้องถากถางเลยก็ใช้เป็นสถานที่อยู่ได้และท่านได้เลือกเอาสถานที่ห่างจากบ้านพอสมควรอันเป็นแหล่งที่จะเที่ยวพิคคาจยา์ได้ และบ้านโป่งนี้ก็เป็นป่าไม้ใหญ่โตผู้คนก็ไม่พลุกพล่านและก็ไม่เป็นที่รบกวนแก่การบำเพ็ญสมณธรรมพวกชาวบ้านเหล่านี้เขาเห็นตุเจ้ามาก็ดีใจเหลือหลายเพราะนานปีจึงมีตุเจ้ามาโปรดอย่างนี้แต่เขาก็ไม่ทราบว่าตุเจ้ามั่นท่านเป็นใครอย่างไรเขาก็เข้าใจแต่เพียงว่าตุเจ้าองค์หนึ่งเท่านั้นเพราะชาวบ้านเป็นชาวพุทธ เมื่อถึงเวลาเทศกาลเขาจะเดินไปทำบุญที่วัดตั้งหลายชั่วโมงเขาก็ยังอุตส่าห์ไปกันเมื่อตุเจ้ามาให้ทำบุญอยู่ใกลกๆ้ๆและจำพรรษาอยู่ในที่นี้ก็ทำให้เขาดีใจเหลือหลายจึงได้ช่วยท่านทำเสนาสะนะพอที่จะอยู่จำพรรษาได้ความจริงพรรษานี้ ท่านก็ได้พยายามเพื่อตรวจถึงความจริงของพระพุทธศาสนาจนเห็นว่ามีมิจฉาทิฏฐิปาปนอยู่มากที่ว่าเช่นนั้นเพราะท่านเห็นชาวบ้านพากันนับถือพูดผีปีศาจและนับถืออะไรต่อมีอะไรอื่นอีกเหลือขนานับเช่นตรงไหนมีต้นไม้ครึ้มครึมเขาก็ไปบูชากันเห็นหินก้อนใหญ่ๆก็ไปบูชากันถึงปีเช่นวันเพ็ญเดือนสบสอง เขาก็จะมีการเลี้ยงผีและก็เส้นส่งบูชาทำกันอย่างเออกระเออเหมือนกับไม่ใช่ชาวพุทธแต่เขาก็เป็นพุทธท่านว่าเรื่องอย่างนี้ก็แก้ยากเพราะคนยังมีจิตใจต่ำยังไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทราบซึ้งจริงๆแต่หากว่าเขาได้พัฒนาจิตขึ้นมากสภาพจิตของเขาก็อาจจะดีขึ้น จนถึงกับเลิกเชื่อถือพูดผีปีศาจก็เป็นได้พุทธศักราช2475ตอนพระอาจารย์มั่นภูริทัตเทระจังพรัษานวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ท่านได้เคยพูดเสมอว่าการลัญจุตาบริสันยุต า, ร, ตารู้จักการรู้จักบริษัทผู้จะปฏิบัติอันจะเป็นพระภิกษุสามเณรหรือเป็นครือขันนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องรู้จักสังคมเพราะเราอยู่ในโลกซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากแม้แต่พระพุทธศาสนาก็ต้องเกี่ยวข้องกับโลกคืออนณาจักรการเป็นเช่นนี้ จึงจะต้องทำตัวให้เข้ากับเขาได้จึงจะเป็นไปตามหลักฐานที่ถูกต้องและแม้แต่พระพุทธองค์ก็ต้องมาบาเพ็ญยาตัถาจาริยาโลกคถจาริยาคือทำประโยชน์แก่ญาติและแก่โลกบุคคลหรือนักปฏิบัติที่กรรมร่งอยู่ในการปฏิบัติธรรมเขาจะต้องเป็นผู้การัญญตา ร, ารู้จักการปุริสัญญาต้า รู้จักบริษัทมิฉะนั้นการปฏิบัติอาจจะเสียผลดังที่ปรากฏว่าการที่ควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรบริษัทนี้ทําอะไรไม่ควรทําอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรหากไม่ใช้ปัญญาจะบังเกิดผลเสียหายจนถึงการทําลายการปฏิบัติของตนเสียก็ได้ เช่นพระภิกษุรูปหนึ่งเมื่อประมาณพุทธศักราช 2,486 ถึง 2,487 อยู่บนภูเขาที่ข้างสถานีมวกเหล็กพอรถไฟขบวนหนึ่งมีผู้โดยสารมากผ่านท่านจะขึ้นไปนั่งสมาธิบนก้อนหินสูงเด่นแต่พอรถไฟผ่านจะนั่งหรือเปล่าไม่ทราบทั้งนี้เพื่ออวดว่าเราเป็นนักปฏิบัตินี่คือไม่รู้จักการ เพราะการกระทำเช่นนั้นแม้จะเป็นการปฏิบัติแต่เป็นการกระทำเพื่อโอ้อวดมากกว่าหรือคำพูดตลอดถึงการเขียนหนังสือจะพูดถึงการปฏิบัติก็อย่าพึงพูดอวดตัวหรืออวดพวกของตัวว่าดีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็ต้องรู้จักบริษัทเพราะที่พูดออกไปนั้นเขียนออกไปนั้นผู้คนก็จะต้องรู้ต่อกันไปอีกมาก แม้ว่าจะพูดของจริงเป็นความดีความวิเศษก็ไม่ควรแต่จะพูดในบริษัทของเรากันเองเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสกล้าหาญในการที่จะนำเอาเป็นตัวอย่างนี้ก็ควรจะพูดเพราะได้ประโยชน์ท่านในยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งเมื่อพระโมคคัลลานะเทระกับพระลักษณะเทระไปทำความเพียรอยู่บนภูเขาคิจกูดเมื่อขณะที่ลงจากเขา รามโอคาลานาเทระได้เห็นเปรตตนหนึ่งด้วยทิพจักสุคือไฟได้ไหม้เปลวไฟได้ตั้งขึ้นแต่หางลามขึ้นไปถึงศีรษะตั้งขึ้นทั้งสองข้างไปรวมตรงกลางตัวได้รับความทรมานแสนสาหัสพระเทระเห็นดังนั้นแล้วจึงยิ้มขึ้นอันพระลักษณะเทระถามเหตุแห่งการยิ้มตอบว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ท่านจงถามเราในสำนักพระศาสดาเถิด ท่านทั้งสองเที่ยวไปบินทบดตในนครราชครึกเข้าไปเฝ้าพระสัสดาอันพระลักษณะเทระนั้นได้ถามเหตุของการยิ้มแห่งพระโมคคัลลานะเทระต่อพระพักของพระสัสดาแล้วพระโมคคัลลานะจึงตอบว่าผู้มีอายุผมได้เห็นเปรตตนหนึ่งในที่นั้นอัตภาพของมันเป็นอย่างนี้จึงได้ทำการยิ้มให้ปรากฏเพราะอัตภาพอย่างนี้เราไม่เคยเห็นเลย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเป็นการย้ำความจริงแก่พระโมคคัลลานะเทระว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้มีจักษุหนอทรงรับรองถ้อยคำของพระเทระแล้วจึงตรัสว่าปรตดนนั้นเราได้เห็นมาแล้วนับแต่เราได้ตรัสรู้ณโพธิสถานเหมือนกันแต่เราไม่พูดเพราะคิดเห็นว่าเมื่อหมู่ชนใดไม่พึงเชื่อคาของเรา ความไม่เชื่อของชนหมู่นั้นไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่จะให้โทษแก่เขาเท่านั้นบัดนี้เราได้พระโมคคัลลานะเป็นพยานแล้วจึงจะได้พยากรณ์ว่าเปรตนั้นได้ทำกรรมอะไรมาที่ตรงนี้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้ยามพูดถึงว่าการที่เรามีความรู้อะไรต่างๆอันเป็นภายในแห่งสมาธิ สิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นความจริงก็ไม่ควรพูดออกมาหรือเขียนออกมาให้คนอื่นเข้าใจผิดเพราะผู้อื่นนั้นยังไม่รู้หรือถึงรู้ก็ไม่เข้าใจซึ่งอาจจะเป็นบาปแก่ผู้ฟังถ้ามีการเข้าใจอย่างผิดๆทุ ก, ทกๆเพราะความไม่เชื่อนับประสาอะไรกับเราผู้เป็นสาวกรุ่นนี้เราแม้แต่พระบรมศาสดาพระองค์ก็ไม่ได้ทรงพยากรณ์นในเรื่องเปรตเหล่านั้น ในขณะที่ทรงเห็นด้วยพระองค์เองได้ทรงพยากรณ์ก็ต่อเมื่อมีพระมหาโมคลานาเทระมาเป็นพยานในการรู้เห็นของพระองค์จึงเป็นเรื่องสาคัญที่ว่าผู้ที่มีแต่เฉพาะตานอกคือเพียงตาเนื้อแต่ไม่มีตาที่ระจักสุคือตาภายในนั้นเขาก็รู้เอาแต่เพียงคาดคะเนเท่านั้นเขาจะชื่อว่ารู้จริงหาได้ไม่ ดูตัวอย่างฌานก็เล่ากันเขาเรียนทั้งรูปฌานอรูปฌานแต่เขาก็ไม่รู้ว่าฌานนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยแหละพึงเข้าใจสิเธอว่าจะเป็นบาปแก่เขาเปล่าๆแม้แต่เขาเหล่านั้นจะมีความรู้เรียนจบพระไตรปิฎกแต่ตาในไม่มีก็ไม่เข้าใจความจริงเมื่อเพียงแต่เดาเอาก็ไปกันใหญ่เหมือนเขาเล่า ว, ว่าอีกาเจ็ดปาก พอลือกันไปหน่อยก็ค่อยๆ ย, ย, ยาวไปก็กลายเป็นอีกาเจ็ดปากแตกตื่นกันใหญ่เรื่องของเปรตนั้นท่านกล่าวต่อไปว่าเปรตตอนนี้เมื่อยังเป็นคนได้เกิดในศาสนาพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะมีสศรษีคนหนึ่งชื่อว่าสุมังคละได้สร้างพระวิหารถวาย ด้วยเสียสละทรัพย์จำนวนมากเศรษฐีนี้จะต้องไปที่วิหารนั้นทุกๆวันในวันหนึ่งตอนเช้าท่านเศรษฐีได้ไปที่วิหารดังเช่นเคยทุกๆวันในระหว่างทางได้เหลือไปเห็นโจรคนหนึ่งนอนอยู่ใกล้ๆประตูพระนครมีตัวสกรปรกทั้งตัวและยังเอาผ้ากาสาวะคลุมตัวด้วยเศรษฐีจึงพูดเปอยๆขึ้นว่าหมอคนนี้เป็นคนเประเปื้อนสกรปรก เป็นนักเลงเที่ยวกลางคืนไม่เอาการเอางานดีแต่นอนโจรได้ฟังก็โกรธคิดว่าเราจะต้องทำให้เศรษฐีนี้เจ็บใจหุกอาคาดแล้วทำการเผานาตัดเท้าโคเผาเรือนของเศรษฐีแต่เศรษฐีก็ไม่โกรธเคืองโจรจึงคิดว่าเราจะทำให้เศรษฐีเคืองให้ได้รู้ว่าพระคันทกุดีอันเป็นที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะต้องเป็นที่รักของเศรษฐีจึงได้ไปเผาพระคันทกุดีวอดหมดแทนที่เศรษฐีจะเสียใจกลับดีใจหัวเราะเพราะจะได้ทำพระคันทกุดีเสม่ให้สบายสวยกว่าเก่าส่วนโจรผู้ซึ่งได้ทำกรรมหนักถึงกับเผาพระคันทกุดีของพระพุทธเจ้าเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็ไปบังเกิดในมหาอเวจีนรกสิ้นกาลนานบัดนี้มาเกิดเป็นอชาชคาราเปร ถูกไฟไหม้อยู่ที่ภูเขาคิจกูด้วยผลแห่งกรรมที่ยังเหลือสำหรับภูเขาคิจกูรในที่นี้เป็นคนละที่กับที่มาตั้งชื่อในประเทศไทยนะครับในปีพุทธศักราช2475นี้ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเทระก็ได้กลับมาจําพรรษาที่วัดเจดีหลวงในเมืองเชียงใหม่อีกครั้ง โดยมีความประสงค์จะได้ดำเนินการพระศาสนาให้เป็นประโยชน์แก่บริษัททั้งหลายและก็ได้ผลตามที่ท่านเล่าว่ามีพุทธบริษัทมาเรียนกรรมฐานกันมากทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาต่างก็พากันตื่นตัวขึ้นแล้วท่านก็ได้แนะนำการปฏิบัติในทางจิตใจให้นับว่าเป็นประโยชน์เพราะการปฏิบัติธรรมในขณะนั้น โดยทั่วไปยังพากันสนใจน้อยมากต่อเมื่อเขาปฏิบัติจนเกิดผลคือความสงบทางใจแล้วและได้เล่าต่อๆกันไปก็ทำให้เกิดความกระตือรือร้อนขึ้นจึงเป็นเหตุให้มีบุคคลใกรเพื่อให้ได้ความสุขอันเป็นภายในแต่การปฏิบัตินั้นต้องอาศัยผู้แนะนำที่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป เนื่องจากการแนะนำในด้านการปฏิบัติจิตใจขณะนั้นยังไม่แพร่หลายจึงทำให้บุคคลผู้มาปฏิบัติอยู่ในวงจำกัด